วามิกรรมพุทโธถ้าบริกรรมพุโทรรพธโธอยู่ส่วนเดียวโ่ยมันมีปัญญาชำเพยุ์ก็เป็นคณนิก ะ, ะ, ะสมาธิในอุปจาระสมาธิถ้ามีปัญญาชำพยุกชอมในอุปจาระสมาธิก็สามารถรู้เลยเยยยะธรรมต่างๆ สอนให้ยินดีในมาเกิดสอนให้ยินดีในมาแก่สอนให้ไม่ยินดีในมาเก็บสอนให้ไม่ไม่ยินดีในมาตายสอนมาให้ยินดีมานิยมพระธาตสอนมาให้ยินดีมาพักธาตุจากถึงที่รักสอนให้เก็บให้หลาบในวัดตาสงสาร ธรรมหมก้อนกันสังโฆก้อนกันพระพุทธรธรรมโูมสังโฆเป็นโลภุตะคุณซึ่งเป็นธรรมเดียวกันถ้าจิตใจของเราเป็นโลกีการบริกรรมพุทโธก็เป็นโลภีถ้าจิตใจของเราเป็นโลภุตะการบริกรรมพุทโธก็เป็นโลภุตะไปในตัวธรรมโมสังโฆก็เหมือนกัน หรือกรรมฐ า, านอางอื่นๆก็เหมือนกันและคนละกายย่อมผ่านสนามทุกอยู่ไม่มีกางวันกลาคืนถึงกายจะไม่รู้ตัวก็ตามก็ผ่านสนามทุกอยู่ไม่มีกางวันกลาคืนคือทุกแก่ทุกเก็บทุกตายเป็นสนามทุกมาลงทํามะ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 ทั้งที่เป็นพุตธชนคนนาเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นทังคานผ่านทุกหรือธาตผ่านทุกที่ยังเป็นโลกิยาธาตุหรืออินทรีย์ผ่านทุกหรือธาตุดินน้ำไฟลมผ่านทุกก็ลงเอยอันเดียวกันหรือรูปธรรมผ่านทุกก็ลงเลิกรงเอยอันเดียวกัน เมื่อสกุลรกายแตกดินก็ไปเป็นดินตามเดิมน้ำก็ไปเป็นน้ำตามเดิมไฟก็ไปเป็นไฟตามเดิมลมก็ไปเป็นลมตามเดิมเข้ามาหาภูแต่ธาตุดิมส่วนจิตใจเป็นอ่เองเบกขงถ้าจิตใจเป็นโลกิยะจิตใจโกนเวียน ม, มาซ่าธาตุสีดินน้ำไฟลมอีกเขายังไม่รู้เท่า ธาตุดินน้ำไฟลมพราะยังไม่มายัางไม่เห็นผลทวดพอเพราะยังไม่รู้จักอุบายที่จะข้ามทาตดินาน้านไฟลมไปอีกก็จำเป็นต้องมายึดถือเอาเป็นเจ้าของค่ายๆกับผู้ซื้อรถยนต์คันนี้แตกสลายแล้วก็ไปซื้อคันใหม่เพราะยังไม่ยอมค่ายกับเกวี่ยนกับรถหรือกับเรือน ก็สิ่งที่ไม่มีมมวิญญาณคลองสิ่งก็ยังไม่เหนื่อยเบื่อก็ยังไม่หนานก็ยังไม่เก็บก็ยังไม่หลาก็าจะยังมาเอาเป็นทินค่าของตนอีกแต่ข้าไปค่ามาก็ามาหาความแก่ความเก็บความตายการเดิมด้านจิตใจไม่รู้ตัวก็ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ ไม่รู้จักความดบับทุกข์ไม่รู้จักทางดําเนินไปถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักเหตุที่จะให้ทุกข์เกิดข้าคิดใจและสติปัญญาเบื่อนายคลายเมาในธาตุดินน้ำไฟลมตลอดถึงสิ่งที่เมื่อเห็นดว้วยใจนอกเห็นดว้วยใจในกระทั่งเวทนาสัญญาสงสารยินยาม เบื้อนายจะพร้อมๆกันแล้วรูปปโลกและอารมณปโลกในส่วนท่านผู้นั่นก็ไม่มีเพราะผู้นั่นไม่มาท่องเที่ยวในโลกทั้งสองคือโลกรูปและโลกขันคือโลกรูปคือโลกรูปขันคือโลกนามขันโลกรูปขันนามขันมีความหมายอันเดียวกันนามขันเป็นสะเทียงว่าไม่เห็นเบตาเท่านั้นตาภายนอกเท่านั้นแต่ตาภายในคือสติสัญญามองเห็นอยู่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 อริยะเจ้าอนาคามีอริยะเจ้าอรหันอริยะเจ้าพระปจิอริยะเจ้าพระสมาทมพุทธเจ้าอริอริยะเจ้าเพศหญิงที่สำเร็จพระรหันเรียกว่าสาวิกาอริยะเจ้าเพศชายที่สําเร็จพระรหันเรียกว่าอริยะเจ้าชั้นที่หนึ่งในเพศหญิงแลเพศชาย ท่นที่ส3งที่สามที่ 4, ทีีห้าก็ต่ำลงมาเกนถึงอริยะเจ้าพระโสดาบันแต่พระ อ, อริยรเจ้าทำพวกนี้แวกว่าทะเลหลงของตนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนที่ต่ำกว่าทัณฐานลงมาไม่ได้แวกว่าแบบวนเวียงแหวกว่ตัดคืนจะได้น้อยหรือด้มากก็าตามเป็นไม่ถอยหลังเพราะเหตุใด เเห็นว่าเห็นโลกสกุลละกายนี่ไม่น่าไว้กลไม่น่าจะมาลงอีกเพราะไม่มีแกนสารอะไรแต่ทะลุผุฟังไปเหมือนผาดชนาดินหรือเหมือนต่อ น, น้ำหรือเหมือนต้นกล้วยไม่มีแกนไม่มีสารแม้ในฟายน้ำขันก็พลอยเป็นไปตามกันกับรลูกขัน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 ก็ค่อยๆาว่าคนป่วยไม่มียารักษาทอดทิ้งตนเองไม่ยอมกินยาไม่ยอมให้ฉีดจิตใจเป็นของละเอียดละอ่อนมากแต่เมื่อทำบาปลงก็เป็นของหยาบกลายเป็นของหยาบไปกลายเป็นผู้รับใช้เช่นค่าสัตจ์ัดชีวิตอย่างนี้ใจจะทำสำเร็จด้วยตนเองไม่ได้ก็ต้องสั่งให้กาย สา่ให้วาจาช่วยทำแต่ด้านทำบาปทำบุญ ท, ท่านทุนนั้นเป็นผู้สั่งงานถ้าหากว่ากายและวาจาอย่าง่วนไม่ได้ส่วนใจจะทำบาปก็สามารถทำได้อยู่เช่นกามาวิตกใจเป็นพูดนึกถึงเป็นความกำลักอยู่ผลของตามาวิตกก็ไหลทับใจไม่เดือดร้อน ให้ไม่มีที่อยู่ที่อาศัยกระบวนการวายภรยาบาดที่ตกเกิดขึ้นแต่กายกับวาจา ย, ยังไม่ไปเพราะยังไม่ได้คล้ยเพราะทำให้คิดใจได้รับดื่มได้รับผลกับพยาบาทที่ตกอยู่ไม่เป็นอันกินอันนอนมิหิษฐานวิตกเกิดขึ้นในกิจในใจ ผลของวิหิงสาวิจตกก็ไปหากิจใจอยู่ดามเดิมก็อยู่ไม่เป็นสุขอีกเพราะรดกามวิจตพยาบาทวิจตวิหิงสาวิจกไม่เป็นประโยชน์แก่กิจใจเนี่ยฉะนั้นพระบลมศาสดาจึงกล่าวว่ากามวิตักังวิโนเทติพยันตีกรุติอนะภาวังขงเมียนติท่านทั้งหลายจงทําการมวิจก ให้เหงืง่อแห้งหายไปจากพันธะต่างแานเชื้เถิดพระยาบาที่ตกวิตกังวิโนเทติพยันตีกรุติสนะภาวังคามนติวิหิงสาก็เหมือนกันพระธมไมชาลระงับกามเมื่อวิตกพระยาบาท่ตกวิหิงสาวีโตกได้แต่ระงับได้ชั่วคราวถ้าถอนออกจากพระธมไมชาลก็กเลิงเพิ่ม อ, อีก กำเริบก็ว่าําเริบก็ว่าเพราะยังตัดสังโยน์ไม่ไม่ขาดจะผาดในการมวิตรโดยแท้ก็คือพระอนาคามีไม่มีในการมวิตกไม่ได้ตึกไปเลยไม่ได้นึกไปเลยไม่ได้ส่งเสริมอีกไม่ได้ระวังอีกเพราะมันไม่มีเทียวเลี้ยจะระวังทำไมจะแก้มต่อปันหากสักเสียงในก็ตามจะผมดำสนิทก็ตาม พวกทผมดำสนิทถ้ากาม้าวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไม่กิดกินไม่กัดกินกิดกินใจใช่แล้วพระบรมศาสดากล่าวว่านั่นแหละเทระนั่นแหละผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในธรรมถ้าเป็นผู้หญิงก็ว่าเทีดีผู้เกิดมาไม่มีกรารมาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกกัดกินกิดกินใจแล้วจะเป็นคนหนุ่มผมดำสนิทก็ตาม นั่นแหละพระเทระนั่นแหละพระอริยเจ้าท่านพระอนาคามีกรรมฐานที่จะบรรเทากามวิตกโดยตร ง, ต ง, ตงก็คือพิจารณาร่างกระดูกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสะค น, นร่างกายอริพะระพิจารณาล่างกายตนและผู้อื่นได้เห็นว่าเป็นไม่งามเมื่อัดสตินึกถึงความตายจะมาถึงตน ก็ระงรับการมีรตุกพยาบาทมรรตุกอิงสาวมรรุกได้ตัวขาวเหมือนกันหรือกรรมฐานอื่ น, นก็ระงรับได้แต่โดยตรงก็คืออสุภอสุพังนี้เองคนเราถ้าหากว่าเห็นสกลรกายส่วนในส่วนหนึ่งเป็นของสุปะโสโมมอยู่แล้วชัดในใจด้วยเห็นเราอย่างในใดก็เห็นท่านผู้อื่นอย่างนั้น การไม่รีตกจะต้องเรียกมันมาจากประตูไหนมันก็มาไม่ได้แต่ว่าถ้าเผลอมันก็ตีหน้าเหมือนกันเคหหัวเหมือนกันทั้งสองทั้งเขาด้วยอันนี้เป็นของสาคัญมากท่านจึงเปรียบว่าสมรัฐพรามเราได้ออกจากกามแล้วแต่ยังพอใจรักใครในกามไม่สามากจะสาเร็จมากผลนิพพานได้เปรียบเหมือนไม้ ที่ชุ่มเลืยอดยางทั้งแค่อยู่ในน้ำด้วยไม่สามารถสีเป็นไฟได้ทั้งชุ่มอยู่ในกลามด้วยทั้งไม่ออกจากกลางด้วยกายด้วยเพราะถ้ากลับว่าเหมือนไม้ที่ชุ่มด้วยยางด้วยทั้งแค่อยู่ในน้ำด้วยทีนี้ออกจากกลามแล้วแต่ชุ่มอยู่ในกลามเพราะมีกางมาฤตตกกัดกินจิต ก, กินใจอยู่พระตริกันในทางกลาม การที่นักดับ ก, กวาเพื่อนก็คือเพศคือเพศ ต, ตรงกันข้ามในระหว่างหญิงและชายตัวนี้เป็นตัวสาคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นบวดใหม่ๆท่านจึงบอกกรรมาฐานเกซาโรมาณนค่าดันตาสจูดันตาหน้าค่าโรมาเกซ่าเป็นปฏิโลมเป็นอนุโลม ว่าเวลานอยเท่านี้ก็พอแล้วนี่จึงศึกษาใหม่อาจารย์ผู้ไม่ฉลาดไม่บอกใส่จักธรรมฐานสามารถจะล่วงอาบัติหนักได้ในสังฆาธิเศษหรือในปารายชิตเนี่ยฉะนั้นท่านจึงบอกไม่อก่อน ก็สามารถอันตรอนทำอันตรายเกี่ยผมไม่จำได้จิตใจของมนุษย์ถ้าเห็นร่างกระดูกชักหรือสกุลละกายเป็นของเป่ืยเน่าเป็นพุทโธอยู่โดยตรงถึงจะไม่บริกรรมพุทโธก็ตามเพราะพุทโธสอนอย่างนั้นพ่อธโมก็สอนอย่างนั้นไม่ได้เป็นทางอ้อมเลยก็พุทโธพุทโธแปลพุรุพุรุกายเหมือนกัน เรินผู้โทนี่ดึงไปใส่กรรมฐานตอนไหนๆก็ได้หมดเหมือนลมให้แกเข้าออกกรรมฐานทุกอย่างทุกอย่างต้องดึงมาใส่ได้ทุกๆ ก, กรรมฐานถ้าดึงเป็นเมียตาจะดึงมาใส่กรรมฐานได้ไหรือไม่ดึงใส่กรรมฐานอสุภะได้ไหรือไม่ก็ดึงได้อยู่เพราะเราก็ดีท่านผู้อื่นก็ดีหลงร่างกระดูกน่าสงสารหลงผิวหนังเพรหนังหุ่มอยู่ นังก็ไม่ได้บอกว่าข้าจะห้องโขกพกลมเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งต่งางหากหน้าทั้งเมตตนในท่านผู้อื่นที่หลงหนังเหยียดนั้นตนในผู้อื่นจงพ้นจากนังไปเฉิดจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงู่ทุกเมื่อสุขในพุทธธรรมสง์ว่าคือสุขในพปัจจุบันชักระคามีอนณาคามีอรหันต์ต่ำกว่านั้นลงมาเป็นสุขในโลกีไม่แน่นอน บางที่ก็ถอยหลังบางทีก็เดินหน้าสุขในพุธทธคำสงฆ์ทุกชนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเถิดสุขไม่มีเลนสุขไม่มีภัยสุขไม่มีการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกวิยาปุถในพุธทธคำสงฆ์สุขในเรื่องกินเรื่องทายเรื่องรักเรื่องนอนไม่ต้องเอามาพูดให้ฟันสือ่อกันก็ได้คนเราถ้าหากเห็นสกุลละกาย เ ป, เป็นอสุภะเป็นอสุพังทั้งปิ่นทั้งสีทั้งที่ตั้งโรคโกรลงจะไมยมาจากประตูไหนก็มาไม่ได้เพราะมันกลัวมันต้องห้ามลอกมันต้องหยุดรบก็มาท้านอื่นงๆนอกจากนี้ก็เหมือนกันโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยธาตุสีดินน้ำไฟลมอยู่ไม่ใช่สาตร์ไม่ใช่บุคคลถ้าเห็นทัดอยู่ฟ้องพอลมให้ใจเขาออก โลกโพดลงมันก็ไม่มีประตูจะมาอีกเหมือนกันมันจะไปหลงอะไรอีกแต่มันจะขาดหรือไม่ขาดมันก็ขึ้นอยู่กับการที่เจรณาแยกพายและชัดเฉพาะส่วนตัวเป็นโอคนนั้นจโกหรือเป็นปัจจะชิทิผู้เจริญพุทโธถ้าแล้วเลึกถึงคนของพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ไม่มีกางวันกลางคืนการามรรตกพยาบาทีิตกมิเหิงสาวิตก มันก็เงยคอไม่ได้เหมือนกันมันก็วางอาวุธถ้าพิจาณาความตายอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนความเพลินในวัดตาสงสารก็วางอาวุธอีกเหมือนกันมันไม่สู้ถ้าเหยียบเล็บมันแล้วแต่เราทําให้เป็นร่าเป็นสันเดี๋ยวก็จับโน้นโดนนี้เดี๋ยวกว่าอันนั้นเดี๋ยวกว้าอันนี้ อันนั่นก็ยังไม่เสร็จอันนี้ก็ยังไม่เสร็จทำงานหลายหน้าจจะปลาหลายมือมันก็ไม่เห็นจริงเห็นจังเมื่อไม่เห็นจริงเห็นจังความสงสัยของเราก็จะพุทะพื้ขึ้นความสงสัยก็มากปัญหาก็มากขึ้นแต่ให้สังเกตดูว่าจิตใจของเรานะั้นมันมักควันขึ้นในการมาไปตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกก่อนตางก็ตั้ง สติปัญญาของตนให้รู้ตามจริงจึงจะจับยามาแก้ให้ถูกถ้าอย่างนั้นถ้าปวดศีรษะแล้วเอาไปย า, าไปเอายาปวดท้องมาฉันมันก็ไม่ถูกกับกัละเทศะในคนน้อยไม่ทันใจแต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ไม่ทันใจฟื้นนั่งรับยาบรรเทายาผู้ดใดประมาทกายคตาสติ ผู้นั่นปาผู้นั่นประมาทพระนิภานผู้พิจร า, ารณากายคตาสติจะมีอานิสงส์ยิปรเยรการและราคะของผู้นั้นจะบรรเทาลงง่ายพิจารณาความตายก็เหมือนกันสงบราคะได้เหมือนกันเมื่อสงบราคะโชสะโ ม, โมหะตัวนั้นก็เบาไปในตัว ถ้าว่าเห็นโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยร่างกระดูไปไหนก็พบแต่ร่างกระดูมองดูมนุษย์ก็ต้องมองดูให้ถึงกระดูมองดูให้ถึงสกปพกครมมถ้ามองดูแต่หนังภายนอกก็เรียกว่ายัางดูมนุษย์ไม่ชัดมองให้ทะลุเข้าไปในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูว่าเป็นลักษณะอย่างไร และมีกลิ่นมีสีเป็นอย่างไรแล้วนี่เป็นต้นถ้ามองเพียงเพียงผิวเผินทางนอกถ้ากิดยังไม่พ้นก็สามารถอาจจะลวงตนได้เหมือนกันที่พระบรมศาสดากล่าวว่าสก ป, ะปะรกเขมมนั่นมันไม่มีประตูจะเสียงละข้าวหนึ่งอยิบวันน้องผือหลวงปู่มั่นฐานสมเนิว่า สามัญเรียนเพลงเธอภาวนาเป็นไหมไม่ได้เป็นกับผมถ้าไม่เป็นก็ไม่ยากท่านพูดหยาบเลยพูดไม่มีมารยาทเลยพูดเพื่อให้ถึงใจเพราะมนุษย์เรามันนิดสัยหยาบก็ต้องพูดหยาบใส่ถ้าภาวนาไม่เป็นแล้วก็เอานิ้อจกซอดสอดเข้า สอดเข้าถาวหนักแล้วมาดมดูซิจะภาวนาเป็นหรอกในปฏิปูณหลวงปู่ยังไงหลวงปู่มั่นที่นี่มียมคนหนึ่งมาถามหลวงปู่มั่นกระผมจะได้บวชในพุทธศาสนาหรือไม่จะบวชหรือไม่บวชก็ถามเธอนั่นเองเธอทําไมถึงหม่มาบวชถ้าเธออยากบวชใครไปห้ามไว้มันมยังไม่ทันถึงข่าว เตอบแล้วปู่มั่นอย่างนั้นเออมันไม่ถึงขาวละมันถึงแต่ของปฏิกูลมันกลายไปเสียแล้วขาวนั่นรบตัวรอออกรบตัวรอเรือออกทีนี้คนนั่นกลับถึงบ้านทีห้าวันก็มาขอบวชที่ท่ญญานอาจารย์เทศว่ายังมาทําถึงขาวนะ่น ถึงแต่ปฏิปูลนะถึงแต่เหม็นนั่มันถูกแล้วไม่ใช่พระอาจารย์พูดคำหยาบแล้วพูดคารักเพื่อเจอเป็นธรรมะเดินดวงทีเดียวแล้วผมจะขอบวชอาจารย์พูดคำหยาบแล้วพูดคารักเพื่อเจอเป็นธรรมะเดินดวงทีเดียวแล้วผมจะขอบวชก็เลยบวชมาเป็นการประขาว เราไม่อยากมาเป็นพ่อค้าร่างกระดูกอีกค้าขายมาทุกชาติทุกภพบพบก็ขาดทุนเสมอๆขาดทุนไปหาแก่เก็บตายชัดทั้งหลายถ้าไม่หลงสกคนลกายอย่างต่ำที่สุดก็พระสวดาบันอย่างสูงที่สุดก็คือพระละหันโยกากายกจ า, าสติ ให้มีสติพิจารนาร่างกายตนและผู้นั้เห็นเป็นไม่งามอารักขากรรมฐานสี่พุทธานสติรละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกื้อปูนแก่ผู้อื่นเมตตาแผ่เมตียกิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขตัวหนาอสุภพิจารณาร่างกายตนและผู้นให้เห็นเป็นไม่งาม มะละนัตสติแล้วถึงความตายจะมาถึงตนและท่านผู้อื่นและสัตว์อื่นกรรมฐานสี่อย่างนี่ควรจเจริญเป็นนิรเรียบว่าอารักะกรรมฐานจะรวมหรือไม่รวมกว็าตามจะเหาะเหินเดินอากาศไปได้สักเพียงไหกก็าตามหรือไม่เหาะก็ตามก็ต้องพิจารณาตามเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเป็นจริงอยู่แล้วแต่เราอยากจะฝืนความจริงนั่น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 แต่พิจนาข้อไปจริงๆเนี่ยก็ไม่พ้นลงเอยพราะปลงมาถัดเสดาในส่วนปรมาติรยบธรรมโลกอันนี้บรรจุต่ร่างกระดูกให้สมมุติว่าพวกเรานั่งอยู่นี่นะดาวก็ถ่ายออกมาทั้งหมดทีนี้สังคมนี้จะแตกกันไหมเนี่ยต้องแตกกันไม่ยอมมานั่งอีกแล้ว ต่างคนก็ต่างวิ่งหนีหรือต่างคนต้องต่างก็ต่างไอเซียนออกมาสีนี่แต่ก็อยู่ไม่ติดอีกเหมือนกันกล้องไอเทียนจะใหญ่ขนาดไหนกล้องถ่ายจะใหญ่ขนาดไหนและมีสีกลิ่นเป็นยังไงสีนี่ในใจรสชาตินี่ในประเทศไทยของเรานี่ถ้าจะเอาอุจจาระมารวมกันวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นที่ถ่ายออกนั้น คงเกือบจะเท่าภูภูจก้อนี่ที่นี่เราสมมุติไปแวกว่าอยู่ในนั้นดำลงในนั้นจะได้ไหมที่นี่นี่อุบายทรมานตนเองท่านี้สยาก็ต้องเอายัยาบถ้าอย่างนั้นไม่ทันมันที่นี่ด้านฟัดสว่าเล่ามดโลกมารวมกันถ่ายออกแต่ละวันละวันนี่นน ถ้าไม่ให้ใหอันตรธานไปทางไหนก็คงจะมากกว่าน้าพ่อที่เรา <c oughs> ข้าไปข้า ม, มาเป็นทบาททุกวันนี้กินและสีจะเป็นยังไงทีนี่นี่พระเตธาเทียบภายนอกแล้วน้อมเข้ามาภายในหาจิตใจจิตใจจะละอาหรือไม่ทีนี่พวกเรานั่งอยู่นี้ถ้าหากว่าลอกนังออกหมดนั่นเลือก็เชื้อนออก ลักษณะจะเป็นยังไงทีนี้เลือดพอไหลาตามนี่เราต้องยอมเสียมรยาท ต, ต้องพูดกันห ย, ยาบยาบอย่างนี้แหละผู้มีกามาวิตกเสมอเสมอเสมอพวกสังเกตตะ น, นิกาที่เรื่องอาบัตสังคาที่สศษที่เราไปอยู่กรรมกันบ่อยๆก็เนื่องโดยบกพร่องอันนี้ ถ้าการมวิตกขาดพยาบาทวิตกก็ขาดไปในตัวมิถิงสาวิตกก็ขาดไปในตัวโทศกาก็ขาดไปในตัวเมื่อพยาบาทวิตกเมื่อกามวิตกขาดแล้วพยาบาทวิตกขาดแล้วไม่กำเลิกขึ้นมาอีกมิหิงสาวิตกขาดแล้วอันนั้นแหละคือพระอนาคามิทั้งหลายที่ท่องเที่ยวในวัฏฏรงสารที่มาตกนรกในกามวิตกนี้ ในกาลมารมนี่จะนับเป็นกี่ล้านในมนุษย์นี่เทวโลกคมโลกยังไม่ว่าเพราะจํำพวกเหล่านั้นเป็นกามทิพย์เป็นโทสะทิพย์โมหทิพย์อันนี้ก็เป็นทิพย์เหมือนกันแะแต่ว่าเป็นทิพย์หยาบเป็นธรรมเบื้องต่ำํำหากว่าเป็นธรรมเบื้องสูงถ้าหากว่าละขาดได้กลายเป็นธรรมเบื้องสูงถ้ายังไม่ขาดก็เป็นธรรมเบื้องต่ําแต่ก็ยังดีกว่าไม่พิจารณา ก็จะได้บันเทาเพื่จะได้ห้ามเบียด้ามล่อจะไม่หลงจนลืมตัวเพราะจะมีอาการอาจารย์เขกอาจารย์คือสติลึลกได้จากเคก ล, ลึกในทางถูกยังดีกว่าจะปล่อยให้มันกัดกินจิตจินใจจนหมวดม้วนของมันคือม้วนหนังเล้วก็ได้ยินแต่เขาว่าไม่รู้มันเป็นม้วนยังไงดอก ถึงจอถึงแก อ, อะไรเราก็ไม่รู้จักหรอกอุดมบ่าวบาบไปนะเราไม่ได้เกิดมาส่งเสริมกามเราไม่ได้เกิดมาส่งเสริมพยาบาทเราไม่เราไม่ได้เกิดมาส่งเสริมวิหิงสาวิตกเราจะมาต่อสู้และทําลายถ้าการมาวิตกวิหิงสาวิตกพยาบาทวิตกขาดไปแล้วศีลในปาฏิโมก ก็บริบูรณ์ไปเองไม่ต้องท่องต้องบนข้อนั้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนี้ถ้าว่าการมวิตกพยาบาทวิตรกวิหิงสาวิตกยังไม่ขาดจากคันทะชันดาลจาเป็นก็ต้องระวังอยู่ข้อนั้นห้ามอนั้นข้อนี้ห้ามอันนี้ผิดในข้อนั้นผิดในข้อนี้ถูกในข้อนั้นถูกในข้อนี้อยู่กามวิตกกับราคักีนา คือไฟราคะพออันเดียวกันพยาบาทวิตตกวิหิงสายตกกับโทซักทินาก็คือเป็นไฟกองเดียวกันเดื้อร้อนเสมอกันภูมิความระสดาบันจึงไม่สาดแช่งใครขอให้มันเป็นทุกอย่างนั้นขอให้มันชิบหายอย่างนั้นอย่างนี้จึงไม่มีในท่านเพราะเบาไปแล้วแต่ยังไม่ขาดแต่แคกว่าเบาตามวิตกก็ยังไม่ขาดแต่ว่าเบา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 รวมอยู่ด้วยกันหรือเหมือนดินกับน้าอยู่ด้วยกันหรือมันน้ำกับดินอยู่ด้วยกันหรือดินน้ำไฟรวมมาชุมกันอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้กําหนัดกันดินก็ไม่ได้กําหนัดน้ำน้ำก็ไม่ได้กําหนัดไฟไฟก็ไม่ได้กําหนัดลมเมื่อไม่กาหนัดแล้วโกรธจะมาจากประตูไหนทีนี้ความโกรธก็มาจากความกาหนัดเพราะมันไม่ได้สมประสงค์มันก็โกรธทีนี้หลงก็เหมือนกัน ล้อย่างละเอียดมันก็ขาดไปแล้วพระโสดาบันล้งอย่างหยาบมันขาดไปแล้วยังแต่ล้งละเอียดทีนี้ที่พระโสดาบันก็ดีพระสกทาคามีก็ดีพระอนาคามีก็ดีพระละหันก็ดีถ้าอุบาสกโอบาชิกาพิคือสามนเณรในพระพุทธศาสนาไม่เป็นจะให้ใครเป็นทีนี้จะทิ้งให้ใครทีนี้ถ้าไม่ พ, พยายามจะทิ้งให้ใครพยายาม อุบาสกอุบาสิกาที่คุสามเณรไม่อยากจะหลุดพ้นในวัฏฏสงสารคือโรคปวดหลงเนี่นะจะให้ผีตัวไหนมาปฏิบัติเพื่อพ้อนทีนี้พระบรมศาสดาก็ฝากไว้กับอุบาสกอุบาสิกาที่คือสามเณรแล้วพรอนางพิชซุณีไม่มีจเจ้าเล้ว์ทุกวันนี้นางสิคามานาก็ไม่มีนางสามเณร น, นี้ก็ไม่มีคําสอนต่างๆที่สอน ในทางตรงในทางอ้อมอยู่สี 5, ส่เจ็ห้าพันษาในผู้ยืนยันว่ า, าปฏิบัติพุทธ พ, พุทธศาสนาถ้าพวกที่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่ใฝ่ใจไม่ปฏิบัติจะให้ผีตัวไหนมาปฏิบัติอีก น, นี่นี่เป็นปัญหาหนาควรคิดหนี่ถ้าพวกชาวพุทธไม่เลือกใส่และยินดีในศาสนาพุทธจะให้ใครมาเลือกใสยินดีจะให้ใครมาปฏิบัติ จะให้ใครหลุดจะให้ใครพ้นไปจากกองทุกในวัฏจัรสงสารก็ไม่มีอีกที่นี่บางท่านกล่าวว่าทุดงขวัตรนี่มันเป็นอัตกิฬามัานุโยกไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาท่านละท่านผู้นั้นก็กล่าวตู่พระพุทธศาสนาอีกทุดงขวัตรแต่ละข้อละข้ อ, ขอเป็นเครื่องขูดเกากิเลส ถ้าพูดอย่างนั้นก็คล้ายๆกับว่ากล่าวตูพ่อบรมศาสดาถ้าพิพูสัมเณนไม่ปฏิบัติทุดลงขวัตที่นี่จะให้ผีตัวไหนมันมาปฏิบัติที่นี่คาราวะก็ไม่ใช่หน้าที่ถ้าพิพูสัมเานผู้วกมาปฏิบัติไม่ยินดีจะให้ใคร ย, ยินดีปฏิบัติจะให้ใครยินดีขูดเกา่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเราไม่ต้องการขูดเกากิเลสหรือนี่ แต่ธุดงคขวัตท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้ปฏิบัติหมดแต่ใครไม่ปฏิบัติท่านก็ไม่ปรับโทษเมื่อฉันบินทบาทเราจักแรดูแต่ในบาทเมื่อฉันบินธบาทเราจักแรดูบปนโตหรือผ่าชนะก็ไม่มีฉะนั้นไม่ควรประมาทท่านผู้ถือธุดงเพราะว่าเรามศาศาสด า, าบวชใหม่ๆสเสด็จผ่าน กรุงราคฤห์ไปบินทบาทมีน้าพริกเขากระเทลงเป็นชาติกษัตริย์เสียด้วยเพระบรมศาสตรามีแกงเขากระเทลงในนั้นมีอะไรเขากระเทลงในนั้นพราไม่รู้จักหมกจักห่อเหมือนทุกวันนี้ถุมผ้าสติ๊กสแต๊ปอะไรก็ไม่มีเหมือนทุกวันนี้พระบรมศาสตราเกิดจังเวทเออ เหมือนกันกับลากหมานะที่หมาที่สุนัขมันกินกินแนล้วมันลากออกมาเป็นอย่างเป็นยางเป็นอย่างเป็นยางเป็นอย่า ง, อ, างอันนี้ก็เหมือนกันทีนี้มีคําสอนจนว่าสิท ธ, ธัตถะเธอมาบวชหลังจากลืมสัตว์ออกจากวัฏสงสารเธอจะได้อาหารที่ดีที่ไหนมาเธอจะได้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 ถ้าเป็นอุจจาระออกมาทวารหนักแล้วก็เป็นลักษณะยิ่งไปกว่านี้และกลิ่นก็ยังยิ่งไปกว่านี้อันนี้กลิ่นยังไม่ทันยิ่งเลยถ้าเธอหวังดีหลังความหลุดความพ้นเพื่อจะรื้อสัตว์ออกจากวัตาสงสารอย่าให้มันเป็นคําแย่ง ก, กันกับที่เธอสร้างบา ร, รมีมปรารถนามาถ้าเธอจะ ต่ปลาลบอย่างนี้มันก็แย่งกับคำที่เธอว่าต้องการมีพระพุท ธ, ธเจ้าที่ต้องการรุดพ้นเธอจงฉันเถิดมีอุบายสอนตนเองพอพระองค์ตกลงใจก็ยอมฉันได้โอชารดไปทั่วสันพางกายนู้นจะปรากฏตามสมมติที่นี่พระบรมศาสด า, าบวชใหม่ใหม่ไปผ่านพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าพิมพิสารจัดถามพระองค์ตัดตอบพระองค์บอกว่าออกบวชจากสักยะราษชาวชนหมดอันตั้งอยู่ตรงข้างภูเขาหิมาานสมบูรณ์ไปด้วยพวกทรัพ์เป็นบุตรของพระสุทโธธนะออกจากสักยะราษเออเราก็รู้จักอยู่กับพระพุทธกบิดาของของท่านเราเคยรู้จักอยู่ ว่าเป็นดังนี้โยมพ่อจะขอพรไวห้าประการถ้าจัดสรลุแล้วขอให้มาแว่นแควนของของโยมพ่อเถิดขอให้โยมพ่อได้เข้าไปนั่งใกล้ให้เทศนาให้โยมพ่อฟังขอให้โยมพ่อเข้าใจความในขอให้โยมพ่อได้หนีเงี่ยหูลงฟัง ขอให้โยมพ่อได้เข้าใจความหมายในานั้นนั้นมีแปลว่าพระเจ้าพินพิสารเหนืฉะนนเมื่อทัสรุแลว้วจึงเสด็จเข้ากรุงราชพฤก์ก่อนกรุงกบิลละพัทเขาได้รับปฏิญญาของพระเจ้าพินพิสารพระ อ, องค์เองก็อยู่คนเดียวเดี่ยวกา ย, ยากระถนใบเดียวก็ไม่มีกระพี้กระเป๋า ทุกวิธีทาไม่ไม่มีใครเทียมถึงทางพลรมาณตนเองกว่าทุกวิธีทางทางทุกขกิริยากว่าทุกวิธีทางจนทาให้เหนือเขาในสมัยนั้นเขานิยมกันในทางทุกขกิริยาเช่อนนอนขวากนอ น, น้นามย่างกิเลสเหมือนไอคุกยืนขาเดียวอ้าปากกินลมเป็นต้นต่างประชันขันแข่งกันพระบรมชาติาโคทรงทุกขกิริยาให้เหนือ จากพวกเรานั่นไปเพราะจะเป็นประโยชน์ในยามที่ตนทัศลุแล้วที่ประทานแบบนี้เราได้ทําเหนื้อพ ว, พวกท่านแล้วนะพวกท่านไปเห็นไปจักอยู่แล้วไม่ใช่ทางตัศลุจะได้ออกมาพูดกับเขามันเป็นประโยชน์กับพระบรมศาสดาในอนาคตแต่พวกเรากองเงนข้ามใช่แล้วที่นี่พระบรมศาสดาบวชใหม่ๆ อิมอ่มจิตอิ่มใจของตนเองว่าตนได้ออกจากขราวาสมาแล้วนะทุกโขบรนพชาบวชดดีนักแต่ที่เรียกว่าบรนพชาในสมัยนั้นยังไม่มีอุปสมบทเขาบวชเองแต่พวกเราเข้ามาที่นี่ตรงนันข้ามเสียแล้วหิวแต่อาหารไม่มีปีติเสียเลยไม่อิ่มใจเสียเลยว่าตนได้บวชออกจากขราวาสมาอันนี้ก็เป็นหน้าควรคิด ไปบินอนุญาตให้ไปบินทบาทได้พระบรมศาสด า, าก็บอกว่าเป็นราบเหลือเฟือแล้วเขาจะให้หรือไม่ให้ไม่ทราบเพียงทรงอนุญาตให้บินไปบินทบาทเท่านั้นแหละถือว่ามีราบแล้วพอจะปฏิบัติให้คนทุกได้อยู่ที่ทรงอนุญาตผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าเปือกไม้กับปาชิกะสานังผ้าเปือกปา่านพังดัง ถ้าที่ทําด้วยของห้าอย่างข้างต้นเที่ยวกันเช่นได้บ้าไม้บ้าเปลือกไม้บ้าผสมกันเป็นต้นแล้ว่าพังลังพังคังก็พอจะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกได้อยู่ดอกที่นีนด้านเพศัตว์ที่นี่ฉันดอดองฉันยาดองเลน้นะมูลเน่าสามความสมอเป็นต้นก็พอปัจะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกได้อยู่ดอก แต่ว่าตรงขันข้ามพอเจ็บป่วยมาพวกเราไม่ได้ไปโยร่งพยาบาลศิริราชก็ว่าอากาศไม่ดีใช่แล้วไม่สมฐานะของเราทีนี้อันด้านอาหารถ้าไม่มีญาติไม่มียมลงจากรถมาหิ้วหม้อเขียวมาก็อากาศไม่ค่อยจะดีสระแลอันนี้น่าควรคิดอีกเหมือนกันใครไปแตียงอาหารให้ถูกปากเขาบรมศาษษษสดาเป็นไม่มีเลยรัตซ์โล้แล้วมาจึงมีภายหลัง ลงทุนโชคโชนเสียก่อนแต่พวกเราไม่อยากโชคโชนเลยไม่อยากอดอยากอยากไม่อยากผ่านทุกเสียก่อนก็เลยไม่เห็นทุกทีนี้ก็เลยไม่อยากหนีจากทุกทีนี้ถ้ามันปิดบังเป็นส่วนมากต้องเป็นอย่างนั้นที่นี้ด้านเสนาสนะทีนี้ลอมฟังบ้างถ้าไม่ยังคูห้าคูห้าอ่านเป็นกูตัวคออ่านเป็นตัวกอตัวคอควายนะอ่านเป็นตัวกอในภาษามคต หัวบ้างปลาสาโดสาโทนั่นเองทอทหารนั่นเองเปลี่ยนเป็นมคอทกโดปราศาสตรม่วงครึ่งบางครึ่งบ้างร่มไม้บ้างลุกขมูลบ้างลอมฟางบ้างที่กแก้งบ้างแต่ในเวลาข้อพรนสาจําเป็นจะได้เข้าในรม่มนี่หมายความว่าในระดูแรกแต่ก่อนยังไม่ได้บัญญัติพันษาคือพระทศุมากมายึงบัญญัติ ถ้าเราถ้าคุตตีฆ่าไม่ไตีเพดานก็ภาวนาไม่ดีเสียแล้วอากาศไม่ค่อยดีแต่ก่อนก็เทียนไขหรือเทียนพึ่งธรรมดานี่เองทุกวันเรานี่ไฟฉายกว่ามีไฟฟ้าไฟแสนอะไรมีสารพัดถึงอย่างนั้นก็อากาศยังไม่ดียังยังอยากจะทิ้งผ้าังคาติหรือบาศหรือจีวร น, นี้ไปสู่คารวาัพระโกริวิษณ เดินจงกรมด้วยจนเท่าแตกพระบระมศาสดาบอกว่ามันตึงเกินไปจงลดลงกว่านั้นเถิดแต่พวกเราไม่ได้เดินจงกรมจนเท่าแตกหรอกเว้นไว้แต่ชนสะดุดเท่านั้นมันจะแตกเพราะไม่มีสติมันบางลงจนถึงเท่าแตกไม่ค่อยจะมีซะแล้